สตอนนี้จริงๆแล้วหนูอยู่ในขั้นของการที่ก็เรียกนะคะสังเกตธรรมชาติอยู่ค่ะดวงตาก็ยังไม่มีความสงสัยที่เป็นก้อนใหญ่ๆเพิ่มเติมอะไรมากค่ะลวงตาเพราะว่าใช้การฟังของตากับการส่งกันบ้านของ เ, เพื่อนๆแล้วตาพูดย้ําเรื่องขันทานํางานเนี่ยอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็อืมมันเห็นจริงตามนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะดวงตาอืมก็เก็บปฏิบัติมา สำรลูกเขออาเองก็เข้าใจก็มาได้ได้ดีดีแล้วล่ะจะต้องไปถึงที่สุดของมันก็คือว่าเราเอาตัวขันหน้าเนี่ยหลงเอาตัวขันหน้าไปไปไปไ ป, ไปดินน้นรนไปค้นหาไปทําความพยายามเพื่อให้มันเพื่อจะให้มันได้ให้มันถึงให้มันเป็นอะไรแต่ไม่ได้เป็นผู้รู้แต่ไปเป็นผู้เป็นไปเป็นผู้ดินน้นรนผู้ค้นหาผู้พยายามรละยะแอบมีความรู้สึกไว้ในใจลึกๆว่า มีตัวตนมีตัวเราจะพยายามเพื่อให้ตัวเราพยายามเพื่อจะเอานิพพานให้ตัวเราเอาตัวเราไปหาปณิพานให้ตัวเราไปถึงถึงความสุขทุกข์ไม่มีมันแอบมีความรู <stack> planning, mm ้สึกมีตัวเราแอบแฝงไว้ในใจแต่แท้จริงอ่ะมันมีแต่ใจที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยแต่เรากลับมีความรู้สึกว่ามีตัวเราเป็นตัวเป็นตนมีตัวเราจะเปถึงนิพพานมีตัวเราจะไปเอานิพพานเอาความสุขที่ทุกไม่มีแล้วก็เอาตัวเรา ที่เรามีความรู้สึกหลงว่ามีตัวเราอยู่ในตัวเราเนี่ยเอาไปดีดลนไปปรุงแต่งไปค้นหาไปสำความพยายามให้มันรู้ให้มันเห็นให้มันเป็นหลงไปเป็นผู้เป็นเป็นผู้ปรุงแต่งแต่ไม่ได้รู้ผู้ปรุงแต่งนะไม่ได้เป็นผู้รู้ตรงนี้ให้ให้เห็นด้วยตาใจของเรารู้ได้ด้วยใจของเราเองจะถามใครก็ไม่ได้ต้องตอนนี้ต้องตงเกตเอาค่ะงั้นแสดงว่าอย่างตอนนี้ที่ ดูสังเกตอะไรไหมคะหลวลงตามีมีคําแนะนําอะไรเพิ่มเติมไหมคะก็นี่เนี่ที่แนะนํานี่ใ น, น, น, นคือที่สุดแล้วแต่เรายังไม่เห็นเราไปเป็นผู้เป็นไปไปเอาขันห้าไปไปเป็นขันห้าไปเป็นตัวปรุงแต่งได้ไปกระเพื่อนไปไหวตัวไปดิ้นรนไปค้นหาไปทําความพยายามแล้วเราก็ไม่รู้ตัวแล้วเราก็หลงเป็นผู้พยายามผู้คิดผู้วิเคราะห์ผู้วิจารณ์วิจัยผู้ดิ้นรนผู้ค้นหาคผู้ปรุงแต่งตลอดเวลาก็เรียกว่าหลงสองขานหลงสองขานหลงปรุงแต่ง ค่ะยังไม่สิ้นสิ if, happen, ้นหลงสังขารเนี่ยหลงไม่เป็นสังขารหลงสังขารคือหลงไม่เป็นสังขารหลงยึดถือขาน่าเป็นตัวเราหลงว่ามีตัวเราอยู่ในขาน่าอยู่ในตัวเรามีตัวเราเป็นตัวเป็นตนเรายังไม่เห็นมันทําไปเรื่อยมันจะเห็นเองนะคะหลวงตาใช่ไหมคะหรือว่านี่หนูก็ไปแบบว่าไปคาดว่าจะต้องเห็นอีกถ้าหนูถ้าหนูพูดแบบเนี้ยตอนนี้มันเราก็ยังไม่เห็นมันเราขนาดเนี้ยค่ะตอนนี้เราก็ ไปเป็นตัวผู้สงสัยสงสัยสงสัยเป็น question mark question mark เราไปเป็นตัวตัวขันหน้าเลยตัวที่แสดงกิริยาการได้เป็นตัวขันหน้าเ <Hah. S 2> ป็นตัวปรุงแต่งเมื่อเราไม่เห็นเราไม่รู้เทา่าทันเราก็เลยไปเป็นตัวปรุงแต่งตัวเ อ, องไว้เปน็นตัวสงสัยอือย่างนี้เปล่าอย่างนั้นหรืเปล่าอย่างนี้เอ๊ะเป็นงันนอย่างนี้เปล่าอ๋อค่ะอ๋ออ๋อกลายไปเป็นไอ้เอาไว้ตัวปรุงแต่งได้ตัวขันหนป็นเป็นเป็น ไม่ได้เป็นผู้รู้ซะได้ไปเป็นผู้เป็นไปเป็นผู้เป็นเป็นผู้ปรุงแต่งให้เป็นผู้รู้ผู้ปรุงแต่งดิ่พอมันมันปรุงอย่างไงก็เป็นผู้รู้ผู้ปรุงแต่งจะไปหาความเข้าใจให้มันเราไม่เข้าใจเราพยายามจะไปหาความเข้าใจให้ให้มันหายใครหายมันก็คือหายตัวเราแสดงว่าเรามีตัวเราที่จะรอรับเสวยผลรอเสพรอเป็นผู้บงการเราไปปร <Okay. S 2> <Okay. S 2> ุงแต่งเพื่อใครไปดิ้นรนเป็นปัญหาไปไปคุยกันมาไปพยายามหาคําตอบหาให้ใคร ก็อ่าให้ตัวเราเลยไม่ใช่ไปบอกว่าหาจะไปหาให้มันจะไปหาให้มันหาย ใ, ใครถ้าแต่หายเราเนี่ยในมันก็คือเราเนี่ยแหละไปหายตัวเราไปตัวเป็นตนต้งโตเลยเนยะเห็นไหมเนี่ยอืมค่ะอือเห็นไหมไม่เห็นไปหาไปดูเอาไปหาเดี๋ยวจะไปหายตัวเราเอีกไม่เหมือนมันแอบแอบขอบพระคุณค่ะจ้าตามธรรมสการเจ้าค่ะหลวงตาก็พึ่ง ปังหลงตาได้ไม่กี่วันเหมือนกันพอดีพี่ญาติธรรมแนะนำตา ม, มาเจา้าค่ะแล้วเป็นไงมาขอความเมตตาหลงตาช่วยชีนน้แนะอืคปฏิบัติมายัางไงสงสัยอะไรปฏิบัติมายัางไงแล้วสงสัยอะไรบ้าปิบัติตตก็ดูขันห้าที่มันทำงานไปเ้าะค่ะให้ ให้รู้ไม่เข้าไปแทรกแซงเจ้าค่ะอืมไปเป็นขันธ์หน้าหมดเลยอให้เป็นผู้รู้ไม่เป็นผู้แทรแซงเราไปเป็นขันธ์หน้าหมดเลยไปเป็นตัวที่ทุกมันโศกมันเศร้ามันเสียใจมันขับแค้นใจมันสบายใจไม่สบายใจมันเป็นขันธ์หน้าแต่เราไม่ต้องปรุงแต่งไม่ได้มาเป็นผู้รู้ขันธ์หน้าแต่ไปเป็นขันธ์หน้าซะเองอ่ะไม่เป็นตัว ไม่สบายใจเป็นตัวเป็นตัวปรุงแต่งเป็นตัวเสียใจเป็นตัวดีใจเป็นตัวทุกเป็นตัวทุกไอ้ตัวนี้เป็นตัวขันหน้าไปเป็นตัวขันหน้าตัเองไปตัวคิดตัวปรุงแต่งตัวมีอารมณ์ตัวทุกตัวทุกตัวเสียใจตัวไม่สบายใจตัวเศร้าตัวนี้เป็นตัวขันหน้าตัวปรุงแต่งให้มาเป็นผู้รู้ขันหน้านี่ยเป็นผู้รู้เป็นผู้รู้ แล้วลูกต้องทํำยังไงเจ้าค่ะก็ทํำยังไงก็เพื่อเาเป็นผู้รู้ผันหน้าจะเ ป, เป็นตัวขันหน้านเนี่นเรานั่งอยู่เนี่ยนั่งถือไม้เนี่ยรู้ไหมรู <ujourd' y S 1> <_'ถ> ้เจ้าค่ะเออให้เป็นผู้รู้ผู้จะอย่ามาเป็นตัวเราผู้ถือไม้อย่ามาเป็นตัวเราผู้ถือไม้เมื่อกี้ที่หลวงตาถามว่ารู้ไหมว่าตัวเรานั่งถือไม้อยู่เนี่ยรู้ไหมรู้เ น, นี่นเนี่ยให้มาเป็นผู้รีรู้ตัวเราเราแท้แท้เนี่ยคือผู้ที่มารู้ตัวเรา แต่อย่ามาเป็นตัวเราพูดถือไม้เพราะใคร่ารู้เราถือไม้ใครใครเป็นคนรู้ใครรู้ว่าตัวเราเนี่ยนั่งถือไม้อยู่ใครรู้อืมเรา ร, รู้ก็เรารู้นี่เราเรารู้ว่าเราเป็นคนถือเรานั่งถือไม้อยู่เดี๋ยวไหมจำคำพูดนี้ไว้ดีนะเรารู้ว่าตัวเรานั่งถือไม้แสดงว่าเราเป็นอะไรเราเป็นผู้ที่มารู้ตัวเราแต่เอาข้าจริงอ่ะเอาไอ้ตัวเราที่นั่งถือไม้ไปตัวเรา ใช่ไหมอืมทุกวันเนี่ยเอาไอ้ตัวเราที่ถูกรู้ว่าเป็นตัวเราแต่คำถามจริงใครว่ารู้เรานั่งถือมาอยู่ใครเป็นคนรู้เรารู้อ่ะแต่นี้่ร่างกายเราทําอะไรสารพัดจะทําทํานู่นทํานี่โอก็เมนต์ตีลังกานั่งยืนเดินนอนเนี่ยใครเป็นคนรู้ว่าเราทํากิริยาการอะไรต่างๆเนี่ยใครเป็นคนรู้เราเรารู้อีกแล้วเห็นไหมถามอะไรก็เราเป็นผู้รู้ตัวเราเราเป็นผู้ตัวรู้ตัวเรา แต่เอาก็จริงเอาตัวเราไปติปเอาตัวเราไปผู้ถูกรู้เหยงเหีงเหียงเงแหละเอาตัวเราไปมีอารมณ์ตอนี้เวลาเรามีอารมณ์ต่างๆเนี่ยมโหโกรธสบายใจไม่สบายใจใครเป็นคนรู้เรารู้อีกแล้ะเห็นไหมอ่ะเรารู้อีกแล้เห็นไหมเราแท้ๆเนี่ยคือพุทธิมรู้ตัวเราเป็นอย่างไรแต่ไอ้ตัวเราที่ท well ี่ที่มีอารมณ์มีความรู้สึกมีความคิดความนึกความตื่นความตองมีอาการเป็นยังไงเดินยืนเดินนอน เดืมกินทำนู่นทำนี่ไอ้ตัวเราที่ถูกรู้เนี่ยเป็นตัวสมมุติเป็นตัวปรุงแต่งเป็นตัวแตกดับเป็นตัวทําลายเป็นตัวตายเกิดแล้วก็ต้องตายแตกดับไปไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวตายเราแท้คือผู้เรียนรู้ตัวเราเนี่ยไม่เคยตายเลยไม่ว่าเราจะไปเกิดเป็นอะไรมันก็รู้ตัวเราตลอดเวลาว่าเรายืนเดินนั่งนอนยังไงมันก็รู้ตัวเราตลอดไอ้รู้เนี่ยไม่เคยตายแต่ไอ้ตัวเราที่ถูกรู้เนี่ยที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ยังไงไอ้ตัวเนี้ยมันตายเปลี่ยนร่างไปเรื่อย แต่ไอเดียรู้ตัวเราเนี่ยคือเร า, าแต่แต่ไม่เคยตายแต่ถ้าเราอตัวเราที่ถูกรู้ถ้าตัวเราตายได้ก็ดีสิ<ม>เราไม่ต้องไปเกิดใหม่เป็นทุกข์ไม่ต้องมียมาทูดพาเราไปกรรมเวรที่ทําทั้งหมดกระจบลงไม่ต้องมาไม่ต้องให้ผลอีกต่อไปทําบุญทำ บ, บาปก็ไม่ต้องให้ผลนีก<ม>ก็ดีสิตัวนั้นเน่ะมันไม่ตายในตัวเราไม่ตายตัวเราคือไอพุที่บารู้ตัวเราเนี่เนี่ยมันไม่ตายแต่ไอตัวเราที่ถูกรู้เนี่ย ยู่เดินนั่งนอนดื่มกินพูดมีอารมณ์สบายใจไม่สบายใจต่างๆเนี่ยไอตัวที่มันมีอารมณ์ที่มันเคลื่อนไหวไปมาได้มันคิดตั้งตอมปรุงแต่งได้ไอตัวนั้นเป็นตัวตายแต่อีกทีตัวที่มารู้ตัวเราเนี่ยคือเราแต่แท้นี่ไม่เคยตายเลยมันจึงต้องไปรับกรรมได้ไปรับบาปเพราะกรรมต่างๆเดี๋ยวก็ถูกยมาทูตพาไปพระอับดัแล้วกลับไปให้โยมบาลทีพระอับดับทำบุญตำบาปกรรมดีกรรมชั่วมายังไงอไปแล้วแต่จะทำอะไรแล้วทำยังไงให้เราไปถึงผู้รู้ตัวนั้นที่ ที่ไม่ใช่มาเป็นตัวทุกตัวสุขเราจะไม่ยินดียินไลยกับมันได้ยังไงอาจารย์คะก็ตัวอย่าไปเป็นตัวเราที่ยินดียินไ้าเลยอย่าเอาไว้ตัวที่ยินดียินดีดีไล่เป็นตัวเราอย่าเอาตัวที่ยินดียินร้ายตัวที่มีความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ได้มาเป็นตัวเราแค่นี้เนี่ยแล้วมันจะเป็นผู้ที่มารู้ตัวเราโดยอัตโนมัติอย่าไปหาผู้ที่มารู้ตัวเราเพราะว่า ไปตัวนั้นเน่ยมันรู้ว่ามันมีอยู่แต่หามันไม่เจอขัดแล้วถามค้นถามเขาว่าเราเนี่ยไปแอบคิดแอบพูดแอบกระทาอะไรในที่รับที่แจ้งรู้ไหมเรารู้ไหมรู้เนี่ยไหมอ่เรารู้อยู่แล้วถามอะไรก็เรารู้เรารู้เราก็เป็นผู้รู้เนี่ยก็เป็นผู้รู้จริงๆอะไปแอบคิดแอบพูดแอบกระทาอะไรในที่รับที่แจ้งใครรู้วะ เรารู้คนอื่นไม่รู้เราเป็นผู้รู้เลยใช่ไหมเป็นผู้รู้ก็ให้เป็นผู้รู้เนี่ยเป็นผู้รู้เราดีใจรู้ไหมรู้ไอตัวเราที่ดีใจไอตัวเนี้ยเป็นตัวสมมติเป็นตัวที่ถูกรู้เป็นตัวตายแต่ผู้ที่มาลู่าเราดีใจไอตัวเนี้ยไม่เกิดไม่ตายตัวเราที่เสียใจตัวเราสุขตัวเราทุกข์ไอตัวเนี้ยเราใครเป็นคนมาลู่าเราสุขเราทุกข์เราดีใจเสียใจใครเป็นคนรู้ เรารู้อีกไงใช่ไหมเรารู้ว่าเราสุขทุกข์เพราะฉะนั้นไอ้ตัวเราที่สุขทุกข์ไม่ใช่ตัวเราไอ้เนี้ยเป็นตัวสมมุติเป็นตัวปรุงแต่งเดี๋ยวมันก็ต้องตายต้องแตกดับแต่พุที่มารู้ว่าเราสุทุกข์อ่ะอันนั้นน่ะสังเกตดูที่มันดีใจเสียใจได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรไอ้ตัวดีใจเสียใจคือตัวเราที่ถูกรู้ไอ้ตัวที่สบายใจไม่สบายใจก็เป็นใครเป็นตัวเราที่ถูกรู้ไอ้พุที่มารู้ตัวเราเนี่ย มันได้แต่รู้อย่างเดียวอ่ะมันดีใจเสียใจได้ไหมไม่ได้มันสุขมันทุกได้ไหมไม่ได้เวลาเราแอ บ, บคิดแอ บ, บปรุงแต่งแอ บ, บคิดอะไรในใจใครมารู้เวลาแอ บ, บคิดแอ บ, บปรุงแต่งในใจใครเป็นคนรู้เอ <S <S เอตัวเราก็ต้องมารู้ตัวเราว่าแอบคิดอะไรเพราะไอตัวเราที่คิดอะไรได้เนี่ยมันเป็นตัวถูกรู้มันเป็นตัวถูกรู้ที่มันเป็นตัวตายตัวแตกดับแต่ไอตัวที่มารู้ว่าเราคิดอะไรเนี่ยไอตัวนั้นเนี่ยมันคิดไหมมันไม่คิดแต่มัารู้ว่า ไอตัวสมมติเนี่ยไอตัวปลอมเนี่ยเป็นตัวคิดแต่ไอตัวรู้เนี่ยมันคิดไปได้มันไต้แต่รู้อย่างเดียวมันได้แต่รู้อย่างเดียวมันได้แต่รู้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องมีตัวตนไม่ต้องมีอะไรเราจะได้ไม่เป็นตัวรู้ตัวนั้นที่มันตัวรู้ตัวตายตัวนั้นใชอไใช่ใช่ใช่ใะ่ใช่อ่ะอันนี้อธิบายวิธีปฏิบัติให้ชัดๆดิอ๋ออ๋อกีนแล้วแล้วตอนนี้เราพูดแต่ชัดเิพูดแต่ชัดเราจะใจตัวเองได้ยังไงว่าพูดว่า พูดพูดว่าอะไรนะเจ้าค่ะเขาพูดเรจะกลับไปบ้านจะไปปฏิบัติอย่างไงตอนนี้เดี๋ยวก็จะงงอีกเจ้าค่ะก็ไม่ว่าเราจะทําอะไรเราก็รู้แต่ไอตัวที่มันรู้การกระทําเรามันก็คือตัวตัวรู้ที่ตัวตายเหมือนกันแต่ตัวรู้ที่ว่าเราทําอะไรอยู่อีกตัวหนึ่งอ่ะเขาไม่มีความคิดเขาก็รู้ของเขาอืเพราะฉะนั้นการเราไม่ต้องไปหาเขาแต่เรารู้ว่าการที่จะไปถึงตรงนั้นอ่ะ ก็คือเราไม่ไม่กันไม่มีตัวตนไม่ยึดตัวไม่ยึดตนรู้ไปเรื่อยๆให้มันเห็นมันเกิดดับไปเรื่อยๆเจ้าค่ะถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วแน่ๆปฏิบัติอย่างนี้แน่นามๆๆัการเจ้าค่ะโยมอย่างปนปนกันอยู่ระหว่างผู้รู้กับผู้ถูกรู้ว่าเจ้าค่ะเป็นไง ไม่เป็นไรเด no. right> ี๋ยวให้โยมใกล้ๆเนี่ย็อธิบายขอความเมตตาจากหลวงตามันปนปๆยังไงช่วยอธิบายให้ฟังสิระหว่างผู้รู้ก nice> ับผู้ถูกรู้อะไรมันปนปนกันยังไงลองอธิบายให้ชัดๆที่มันปนกไปยังไงเดี๋ยวจะให้โยมข้างๆเนี่ยเขาเป็นคนช่วยเฉลยอือจิตเนี้ยมันคุ้นเคยกับการไปเป็นผู้สังขารเองอ่ะเจ้าค่ะทีนี้พอมาฟังจาก เทพของหลวงตาแล้วก็ก็รู้ว่าเราจะต้องไปเป็นผู้ผู้รู้ไม่ใช่เป็นผู้ถูกรู้แต่ความเคยชินบางทีมันก็เป็นผู้ถูกรู้ซะเองอย่างนี้เจ้าค่ะแล้วยังไงต่อ ก, ก็ก็ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนตรงนี้เจ้าค่ะทีนี้โยมก็เลยอยากจะขอความเมตตาจากหลวงตาว่า ที่ที่โยมเดินทางอยู่นี้อยู่ในทางหรื อ, อยังเจ้าคะแล้วเดินทางยังไงมันบอกตาน <c oughs> ึกล่ะเดินทางยังไงลราจะได้รู้ะที่กำลังเดินทางอยู่เ ง, งี้ยเดินทางยังไงอบอกหน่อยสิก็ไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาถ้ามีสติโยมก็จะเห็นว่าเออมันมีตัวหนึ่งที่ที่เป็นอยู่แต่ตัวนั้น เออเราเราก็คืออย่าพยายามไปยึดว่ามันเป็นตัวเราเป็นแค่แค่กระจกที่เข้าไปมองเห็นตัวนั้นเฉยเฉยแล้ก็ปล่อยผ่านไปผ่านไปแะ้วค่ะอืมก็ถูกแล้วคแล้วจะไงแล้วถืว่ามันมันมันมันมันมันปนกันมันปนกันคือ มันมันเหมือนกับว่ากําลังของสติโยมยังไม่แข็งแรงอ่ะเจ้าค่ะแล้วก็เวลาที่มันไม่มีสติมันก็จะหลงไปเป็นผู้นึกผู้คิดซะเองไปมีอารมณ์ซะเองเป็นผู้เสวยซะเองอ่ะเจ้าค่ะโอ้โยมก็พูดเองว่าเวลาไม่มีสติเอเวลาฝึกต้องฝึกอะไรฝึกสติเออฝึกองอ้ะเลยฮะก็ลกลับไปฝึกสติอย่างนั้นเส้นทางที่โยม รู้แล้วเข้าใจแล้วเดินอยู่ก็ใช่ทางแล้วใช่ไหมเจ้าทางยวพูดเอง่าเวลาไม่มีสติก็ไปไปเป็นตัวที่สองกระจกซะแล้วไม่ไปเป็นผู้รู้เหมือนกระจกกระจกเงาที่รู้ตัวเราเองแต่เรากลายไปเป็นตัวที่มันปรุงแต่งอยู่หน้ากระจกเป็นตัวที่ถูกรู้ผู้รู้มันรู้เหมือนกระจกอ่ะมันปรุงแต่งไม่ได้มันรู้ตัวเราอ่ะทั้งการคิดการพูดการํารู้เหมือนกระจกแน่ๆแต่เพอเพอเราเราเป็นตัวที่มันปรุงแต่งดิ้นลนกระเสือกกระสนอยู่หน้ากระจกเออเพราะเดียวก็บอกเองว่า เมื่ อ, อไหร่เป็นขาดสติแล้วก็มาเป็นไอตัวปรุงแต่งอยู่หน้ากระจกซะแล้วไม่เป็นกระจกที่มารู้ตัวเราซะและ้วเพราะนั้นวิธีฝึกก็ต้องไปฝึกอะไรฝึรสติึกสติให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายเขาจึงบอกว่าเป็นมหาสติก็เป็นมหาสมาธิเป็นมหาปัญญาเป็นพันนิพพานก็คือฝึกสตินั่งให้ตายหลับตาให้ตายไม่มีสติไม่ได้เรื่องเลย เ, เดินจงกรมให้ตายไม่มีสติไม่ได้เรื่องเลยไม่มีสติอย่างที่โยมว่าเลยต้องมีสติ ให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายใช่ค่ะให้เป็นสติรู้ตัวเราตั้งการคิดการพูดการกระทำเหมือนรู้เป็นกระจกที่สะท้อนตัวเราใช่ค่ะอันนั้นน่ะให้เป็นกระจกรู <ใช S 2> ้แบบเป็นกระจกที่สะท้อนตัวเราเห็นตัวเราทุกขณะตั้งการคิดการพูดการกระทำแต่กระจกไม่สามารถมายึดตัวเราได้และไม่สามารถผลักสายสิ่งที่ไม่ชอบใจได้ใช่ค<ร>่กะกระจกนั้นน่ะมนรู้ไม่สามารถดูที่ดูสิ่งที่ถูกใจได้ไม่สามารถรังเกียจและผลักสายสิ่งที่ไม่ชอบใจได้ ให้สิ่งที่รู้สึกว่ารักหรือชังดูดผักได้มันเป็นเรื่องของไอตัวเราที่อยู่หน้ากระจกมันสามารถปรุงแต่งได้แต่ผู้รู้ไม่อยาจปรุงแต่งได้ได้แต่รู้ตัวปรุงแต่งเรื่อยไปขาดสติเพอๆก็มาเป็นตัวปรุงแต่งพอมีสติก็มาเป็นผู้ที่มันรู้ตัวเราที่ปรุงแต่งมันก็จะเป็นอย่างเนี้พอมีสติก็มามาเป็นผู้ที่รู้ตัวเราที่ปรุงแต่งดีการคิดการพูดการกระทำนี่คือตัวปรุงแต่งแต่ขาดสติก็เออแล้วมาเป็นตัวเราอีกแล้ว มันเป็นตัวที่คิดพูดทําที่เป็นเป็นตัวปรุงแต่งตัวสมมติไอ้ตัวปรุงแต่งเขาเรียกตัวสมมุติตัวตายแต่ตัวพุทธิมรู้ตัวเราเนี่ยเป็นอมตะธาตุอมตะธรรมนะมันเป็นอมตะไม่ไม่ก็ไม่ไม่มีตัวมันเลยไม่แตกไม่ดับไม่ทําลายเพราะว่ามันไม่มีตัวตนที่บอกว่ารู้ตัวเราเหมือนกระจกเอาเนี่ยมันทําหน้าที่เหมือนกระจกแต่มันไม่มีตัวกระจกที่แตกได้มันมีแต่รู้เหมือนกระจกแต่มันไม่มีกระจกมันผ่านหลงตาค่ะ อยากจะถามเรื่องอสามีที่เจ็บป่วยอยู่ณขณะนี้ค่ะคะือตัวคืใกล้ใหม่คือจะยกใหม่ค่ะอุบัติเหุจากสะพานกรุงเทพอะคะ่ะตอนนี้เจ็บป่วยอยู่อยากจะทราบว่าดตาจะพอจะทราบไหมว่าจะอยู่ยาวหรือไม่ฮ ะ, ะตอนนี้ไม่รู้สึกตัวะคะ่ะอืไม่รู้หรอกอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะไปพาหมอดูไม่รู้นะ ออไม่รู้เราไกวกับพุทโตพุทโธพุทโธพุทโธไว้ฮะไหวกับพุทโตพุทโตพุทโตไว้ทุกอย่างไม่มีเหตุบังเอิญในโลกอการอุบัตเิเหตุเพลไปการเจ็บไข้ได้ป่วยความเป็นความตายไม่มีเหตุบังเอิญในโลกมันต้องเปไปต า, าตามการเกิดก็ต้องมีความแก่ความเจ็บความตายสิ้นท่าสิ้นอายุขัยก่อนกําหนดหรือมีการอุบัติเหตุเพลิดเพอันตรายทําให้พิกลพิการอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่มีเหตุอะไรบังเอิญในโลกเพราะว่าเป็นความ บุญระบาดกรรมดีและกรรมชั่วที่เราทำเอาไว้มันส่งผลไม่มีเหตุอะไรบังเอิญในโลกไม่มี uh huh. ไอ้ที่ส่ ง, งผลให้เรามีความเป็นไปเนี่ย uh huh. ทุกอย่างเนี่ยได้ดีมีสุขมีความทุกอย่าง uh huh. ลำบากอย่างไรล่วนแต่กรรมเวนที่เราสร้างมามันเขาทำมึงเข้ามาแต่ละคนทำมาอัน uh huh. เมื่อถึงเวลาก็ต้องชุดใช้ uh huh. ไม่มีใครแม้แต่นิดเดียวก็ต้องชดใช้เล็กน้อยเพียงใดก็ต้องชดใช ไม่มีสิ่งใดที่หนีพ้นกรรมเวรทั้งหมดทั้งกรรมดีและกรรมชั่วต้องให้ผลแน่นอนดันั้นเนี่ยพระเจ้าจึง ต, ตัดว่าอย่าไปทำบาปกรรมอย่าไปทําบาปกรรมเพราะว่ากรรมเล็กกรรมน้อยนิดนิดหน่อยหน่อยต้องชดใช้หมด น, นี้ก็ไม่เป็นกรรมของเขาใช่ไหมคะอ่าใช่เป็นกรรมเป็นกรร ม, มของไข่ของมันแต่ถ้าเราเนี่ยไปมีความทุกข์ร่วมกับเขาเราก็เป็นกรรมร่วมใช่ค่ะเพราะว่าเราใจไปกู้กับเขาหรือเป็นกรรมร่วมกันใจเราเลยทุกข์ด้วย มันต้องอยู่ที่เราไม่ต้องไปทุกข์กับเขานช่ไหมอะมันก็กรรมเขาทํำแต่พอเราใจไม่ผ่อกับเขาเลยมีกรรมร่วมกรรมร่วมคือทําให้เราทุกข์ใจเคยเขาพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปแล้วก็แผะใจเขาสงบแล้วก็แผลไม่ตายจะกรรมในเวรมันอาจจะเจอหมอดีๆรักษาหายได้อย่างนี้เขาไม่รู้สึกตัวเลยเราพูดข้างหูเขาได้นะคะถ้ายังไม่ตายพูดยังไงก็ต้องได้ยินต้องได้ยินนะ ถ้าพูดยังไม่ตายพูดยังไงก็นทุกคนได้ยินอแม่แต่นลุงตาเคยไปพูดกับคนที่เขาไปหาสาลาวัดแล้วหมอบอกว่าไปเตรียมหาสาราวัดได้แล้วเขาก็ปลดเครื่องช่วยใจหมดเขาก็รีบไปเตรียมหาสาราวัดกลับมาเนี่ยเขายังไม่กลับมาเลยก็ไปหาสาลาวัดเขาก็มีคนก็มาพาไปไปหาไปพูดใส่หูยังรู้เรื่องเลยอเขาจะพาไปสาลาวัดแล้วพูดยังรู้เรื่องเลยรู้เรื่องไเลยมัน มัหมดสภาพแล้วเ็จะพาไปสาลาบัดแหละจะพาไปไปสาลาเผาศพแหละอ้าวพอเราไปพูดเนี่ยนี่อาจารย์นรลงสาวมาตาที่มันหลับอยู่เนี่ยมันมันกยิบกยิบกันมาหนึ่งเอ้ยนี่ยังไม่ตายนี่ยังไม่ตายเราอย่าไม่ตายไม่ตายพุทโธเ้าพุทโธเ้าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอีกลวอีกเลยพุทโธพุทโธพุทโธแล้วพุทโธวอีกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธ้วอแล้วเลยุทุ พุโตพุโตพุโตพุโตพุโตุ้โตพุัตพุโตพุโตพนโตพุมตพุโตพุโตพุโตพุโตพอโตพุโตพุโตพุโตพุโตพุโตพุโตพุโตพอยตางเดียวตอนนตพุโตพุโตพุโตพุโตพุโตพุโตพุโตพุโตพุอตพุโตนได้นุโ้พุโตพุโตพุโตพุโ้เุาได้ไดพุโตพุโตพุโไพ้โตพุโตพุโก็ุโตพุโตพกโตพุโตพุโตพุโตพุโตพุโตพุโตพุโตพุโตพุโตพุโตพุโตพุโพโพุโตพุโตพุโตพุโตพตพวโตพุโตพุโพุโุโต ให้ความรู้สึกตัวอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธอย่าพุทโธเป็นนกแก้วนกขุนทองนะให้พุทโธได้ความรู้สึกตัวแล้วพูดใส่หูก็ได้ไม่คนที่ถ้ายังไม่ไม่ตายจริงๆอับพูรู้เรื่องเคยมีคนหนึ่งเป็นเจ้าหญิงนิทาไปแล้วเป็นเจ้าหญิงนิทาไปใครก็บอกว่าพูดไม่รู้เรื่องพอลงตาไปพูดใส่หูเนี่ยบอกว่าปล่อยวางร้องไห้เจ้าหญิงนิทาร้องให้น้ำตาไหลผ้าผ้าบอกปล่อยวางปล่อยวางยึดอะไรนักหนา ลองง่ายอย่าผู้รู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องใช่ไหมรู้เรื่องยังไม่ตายผู้รู้เรื่องการรับราชการหลวงตาครับก็ได้ซีดีจากยติธรรมมาครับแล้วก็ได้ฟังซีดีของหลวงตาแล้วทีนี้เนี่ยมันทําให้เหมือนกับได้จิ๊กซออีกตัวทาให้ภาพการปฏิบัติมันชัดขึ้ น, นคผมมันจะติดสภาวะก็คือมันจะติดเพ่งแล้วก็ติดเข้าไป คุกวงในกับสภาวะที่มันเกิดขึ้นมาก็อมันเข้าใจก็เหมือนไม่เข้าใจแต่ว่าพอได้ได้วยฟังที่หลวงตาบอกว่าเออบางทีรู้่มันไม่จําเป็นต้องหลุดก็ได้รู้พบเมื่อก่อนรู้แล้วอยากให้มันหลุดแต่พอรู้พอที่หลวงตาบอกว่ารู้แล้วไม่ต้องหลุดก็ได้มันมันเข้าใจแล้วว่าอ๋ออ๋อแค่นี้เอง รู้ก็แค่นั้นมันจะเป็นยังไงก็เรื่องของมันครับแล้วก็จะเก็ตอยู่สองคำก็คือมันอ่ามันขึ้นรถไฟวิ่งแล้ว <laughs> ครับตัวนี้ก็ก็จะใช้เป็นในชีวิตประจำวันนะครับก็พอช่วงไหนถ้ามันไปคุ่งอะไรแสดงว่ากำลังสติกำลังสมาธิเราอ่อนก็ต้องกลับไปทำเพิ่มอืมันถ้าเราชั่งมันชั่งมันมันก็มันก็มันก็ เป็นแค่รู้ทำไมรู้อย่างเป็นแค่รู้อย่างเดียวเลยอะไรเป็นก็จ้างมันไม่อะไรก็จ่างมันจ่างมันในใจเรานะมันจะไปจ้างคนอื่น <c oughs> ช่างมันในใจเราเป็นอ่ไรก็จ้างมันช่างมันช่างมันถ้าอย่างนี้นไม่ติดไปกับอะไรเลยถ้าช่างมันในกินจากใจนะครับางคนบอาช่างมัาจ่างมันยังไม่ถึงใจอาจารย์ยังไม่ถึงใจช่างแม่งเ <c oughs> <c oughs> ี้ก็เออเราก็ถึงใจไหนก็เอาเออเอาแน่แ น, น่ <c oughs> พูดงี้งงปุ๊บน้ำตาไหลเลยบางคนไปฟังแล้วน้ำตาไหลเลย บอกเออไปแล้วก็จังแม่งเออหายเลยไม่ไม่ทุกข์อะไรเลยมันจะเป็นอย่างไงจังมันจังมันจังมันครับพวกผมก็ต้องเดินแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับหลวงตาครับต้องกระน่ำปัจจุบันจังมันจังมันจังมันจริงๆนะไม่ติดอะไรเลยไม่ทุกข์กับอะไรเลยโยมตั้งจังมันจริงๆจากใจเราจริงเป็นแค่โยมนี่เหมือนกันมันยังไม่เป็นช่างมันผู้รู้ไม่มีตัวตนนะ ผู้ที่มารู้ตัวเราเนี่ยมัน ไ, ไม่อาจคิดได้ไ ม, ม ไ, i i, ไม่อาจปรุงแต่งได้ไม่อาจกระเพื่อมไหวตัวไม่อาจดิ้นหลนค้หาได้แต่ผู้รู้ผู้รู้ตัวเราของท่านเนี่ยมันเอามันสามารถไปคิดนึกไปตึกไปตองไปปรุงแต่งไปหาเหตุผลได้ผู้รู้ของท่านเปนกลายมเป็นตัวขันห้าก็แล้วเป็นตัวปรุงแต่งได้ครับกานถ้าไอ้ผู้รู้ที่มันปรุงแต่งได้มันต้องเป็นตัวถูกรู้มันก็เป็นถู ก, ถกรู้ก็รู้ว่ามันอยากปรุงแต่งไงมันรู้แล้วมันปรุงแต่งไงก็ก็มาเป็นตัวมาเป็นผู้รู้มัาจริง แต่ถ้าเราถ้าเราเอาตัวผู้รู้ไปปรุงแต่งไปดิ้นรนไปค้นหาเองอันนี้หลงละเสียท่ามันละก็กลายเปเป็นขันห้าซะแล้แต่ถ้าเราเห็นว่าตัวเรากาลังดิ้นรนกําลังค้นหากําลังสงสัยสงสัยไอ้ตัวที่มารู้ว่าเราสงสัยเนี่ยไอ้ตัวนั้น่ะเป็นผู้รู้ตัวเราเป็นผู้รู้ที่ปรุงแต่งไม่ได้แต่ตัวเราที่สงสัยสงสัยเป็นตัวขันหน้าตัวปรุงแต่งไอ้ตัวนี้ตัวตายตอนนั้นมันสงสัยอ่ะมันยังสงสัยอยู่มันก็ไปต้องไปหาให้มันสิ้นสงสัยไอ้ตัวที่สงสัยเนี่ยเป็นตัวปรุงแต่งเราไม่ต้องไปหายมันสิ แต่ตัวรู้ตัวเราอสงสัยไอ้ตัวนั้นเนี่ยเป็นตัวที่หลุดพ้นจากตัวเราเพราะว่าเป็นตัวที่มารู้ตัวเราไอ้ตัวนั้นเขาเรียกพุทธเรียกว่าใจเรียกว่าจิตเดิมแท้ชื่อเยอะแยะมาเอมตัดทานเอมาตัดทำดวงตามหาวัวเรียกว่าธรรมธาตุแล้วแตจะเรียกว่าอะไรเยอะแยะคือผู้ที่มารู้ตัวเราแล้วที่มันมีการคิดการพูดการกระทําแต่ไอ้ตัวนั้นน่ะมันคิดไม่ได้เพราะไอ้ตัวที่คิดได้ดิลนลค้นหาได้มันเป็นตัวไอ้ตัวเราที่ถูกรู้เป็นตัวตายตัวสมมุติทันยังเอาตัวผู้รู้ เอาตัวเราที่เป็นตัวคิดนึกตึกตอมปรุงแต่งได้หาเหตุผลวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยตัวเครื่องหมายเครื่จีมาร์กเครจีมากได้เอาตัวนี้เป็นตัวเราเราแท้ๆคือผู้ที่มารู้ตัวเราไอ้ตัวนี้ไม่เคยเกิดไม่เคยดับไม่เคยตายเราไม่เคยเกิดไม่เคยดับไม่เคยตายนะเพียงแต่ถ่ายเปลี่ยนร่างไปเปลี่ยนร่างไปเปลี่ยนร่างไปแต่ตัวเราที่คิดพูดกระทําอะไรได้แต่ละจ้าแต่ละจ้ต า, าติตายแตกดับหมดเข้าใจไหมครับแล้วท่านยังยังยังปิดตัวอยู่ยังจับปิดตัวอยู่สงเก็ดให้ดีๆนะครับ